วินัยแทธรรมชั้นเอกบุญที่ห้าโดยพระอาจารย์บุญมีจันทถู ป, ประโมคสวัสดีครับเพื่อนสาธรรมิ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เราก็มาศึกษาพระวินัยต่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับอภาระบุคคลคือบุคคลที่ห้ามไม่ให้บวชโดยเด็ดขาดก็ซึ่งเด็กล่าถึง บุคคลที่มีเพศบกพร่องบุคคลที่ทำผิดต่อพระวินัยอย่างร้ายแรงบุคคลที่ทำผิดต่อกำเนิดของตนเช่นฆ่าบิ ด, ดาเมียดมาดาเป็นตน้นทีนี้เราก็มาพูดถึงอภัพบุคคลที่ห้ามแต่ไม่โดยเด็ดขาดคือห้ามโดยอาการไม่สมควรในการที่จะบวชแต่ถ้าบวชแล้วก็ไม่ต้องนาสนาคือไม่ต้องนาสนะ อาภาพะบุคคลที่ไม่ห้ามโดยเขาดนั้นมีอยู่สองอจำพวกเดียกันคือหนึ่งจำพวกถูกห้ามไม่ให้บันประชาสองจำพวกที่ถูกห้า ม, มให้อุปสมบทบุคคลจำพวกที่ให้ถูกห้ามมิให้บันประชานั้นท่านแสดงร้อยแปดจำพวกคือหนึ่งคนมีโรคอันจะติดต่อกันโรคที่ไม่หายโรคเรื้อรังได้แก่โรคห้าอย่าง มีกุดถังคือโรคเรือ้อนคันโทรโรคฝีกีลาโสโรคกลากโสโสโรคมองเคราะหรือโรคหืด อ, อปอมาโรโรคลมบ้าหมูอสองคนมีอวัยว ะ, ะเพศบกพร่องคืออวัยวะบกพร่องมีอยู่เก้าจำพวกเดียกันคือมอีมือขาดมีเท้าขาดมีทั้งมือทั้งเท้าขาด มีหูขาดมีจมูกขาดมีทั้งหูทั้งจมูกขาดมีนิ้วมือนิ้วเท้าขาดมีง่ามมือง่ามเท้าขาดมีเอ็นขาดเป็นต้นนี่ก็จำพวกที่มีเพศบกคร่องสามคนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบก็ท่านแสดงไว้หกจำพวกคือคนมีมือเป็นแผ่นหนึ่ง คนค่อมคือมีหลังโกงหนึ่งคนเตี้ยคือเตี้ยเกินไปหนึ่งคนคอพอกหนึ่งคนตีนปุกหนึ่งคนปันทุสร้ายบริษัทคือคนแปลกเพื่อหนึ่งื่อคนพิการมีสิบจำพวกคนตาบอดตาใสคนง่อยคนกระจอกคือมีท้าพิการเดินไม่ปกติคนตาบอดมืดคือคนตาเสีย คืดวงตาเสียคนใบ้คนหูหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้คนทั้งบอดทั้งหนวกและคนทั้งใบ้ทั้งหนวกด้วยห้าคนทุพพลภาพมีสองจำพวกได้แก่คนแก่แง่ง่องหนึ่งคนเปรีย้ยคือคนมีอิริยาบถขาดหนึ่งหกคนมีเกี่ยวข้องท่านแสดงไว้สี่จำพวก คือคนที่บิดามารดาไม่ได้อนุญาตหนึ่งคนเป็นราชภัฒนคือข้าราชการอยู่ในตำแหน่งคนนี้ท่านลาขบวดได้คนมีลี้สินหนึ่งคนเป็นทาสหนึ่งเจ็ดคนเคยถูกลงอาจยาหลวงมีเครื่องหมายปรากฏอันนี้ท่านกล่าวไว้สองอย่างคือคนที่ถูกเคี่ยนด้วยหวายหลังลายมีรอยแผลเป็นที่หลัง อ่หนึ่งและก็คนที่ถูกสัตว์หมายโทษหนึ่งแปดคนประทุสร้ายความสงบท่านจำแนกว่าสามจำพวกคือโจนผู้ร้ายที่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังคนโทษหนีเรือนจําคนทําผิดกฎหมายไม่คือทําผิดกฎหมายไม่คุมไว้ใครฆ่าหรือทําร้ายก็ไม่มีโทษนี่บุคคลที่ ถูกห้ามเ อ, อไม่ให้บรรพชาและก็บุคคลที่ถูกห้ามให้อุปสมบท อ, อมีอีกสามจำพวกที่ห้ามให้อุปสมบทนั้นเ อ, อหมายถึงไม่ได้ห้ามแตเด็ดขาด อ, อที่ห้ามเด็ดขาดเราได้ได้ศึกษา ม, มาแล้วบุคคลที่ถูกห้ามอุปสมบทไม่เด็ดขาดนั้นตั้งกล่าวไว้สามจำพวกคือหนึ่งคนไม่มีอุปชัยยะหรือีคนอื่นจากภิกษุเป็นอุปัชัยยะ หรือถือสงถือคณะเป็นอุปชัยยะสองคนไม่มีบาตรไม่มีจีวรไม่มีทั้งบาตรทั้งจีวรสามคนยืมบาตรยืมจีวรหรือยืมทั้งบาตรทั้งจีวรเข้ามาอันนี้ก็ห้ามไม่ให้อุปสมบทเนี่ยไม่มีอุปชัยยะหรือจะเอาสงเป็นอุปชัยยะเอาคณะเป็นอุปชัยยะอันนั้นท่านก็ห้ามเช่นเดียวกันไม่มีบาตร อันนี้ก็ห้ามให้บวชไม่มีจีวรก็ห้ามให้บวชหรือไม่มีทั้งสองอย่างก็ไม่ให้บวชหรือมีอแต่ว่ายืมบาทยืมจีวรเข้ามาหรือยืมทั้งสองนี่เข้ามาอาท่านก็ห้ามให้บวชเช่นเดียวกันอกรณี้ก็อาจจะมีอยู่หลายหลายแห่งซึ่งไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจก็มักจะอ่าไปยืมบาทยืมจีวรคนอื่นเข้ามาบวชก่อนแล้วก็หาให้ที่หลังตามหลักแล้วก็ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยเนี่ย อทีนี้บุรพา ก, กิจคือกิจเบื้องต้นแห่งการอุปสมบทนั้นอย่างไรกิจเบื้องต้นแห่งการอุปสมบทนั้นท่านกล่าวเป็นหลักอตามลําดับไว้สิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างด้วยกันคือหนึ่งให้วันประชาสองให้เอให้ขอนิสัยสามให้ถืออุปชายะสี่ขนานชื่อมคตแห่งอุปสัมปทาเปกขา 5. ้าบอกบาอาบอกนามอุปชัยยะหกบอกบาทและจีวรเจดสั่งให้อุปสัรปอาเปกขะออกไปยืนข้างนอกคือห่างจากคัตถบัตสองสิบสองศอกเป็นอย่างน้อยอันนี้อแล้วก็แปดสมมติวิสุตรูปหนึ่งเป็นผู้ซักซ้อมอุปสัมปอาเปขะถึงอันตรายกิตกรามเก้าเรียกอุปสัมปอาเปกขะเข้ามาในสง สิบให้อุปสมปทาเปกะ ข, ขออุปสมบทสิบเอดสมมติวิสูุรูปหนึ่งเป็นผู้สอบถามอุปสมบทาเปกะถึงอันตรายยิ่กรมทในสองอันนี้ก็เป็นอุปรรับกิจคือเป็นกิจเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำการอุปสมบทแส่วนในข้อที่ว่าให้ระปิชานั้นถ้าหากว่าผู้ที่เป็นอุปสมบทาเปกะ น, นั้นยังเป็นส ม, มนเนรอยู่คือบทเป็นเนนอยู่ก็ ไม่ต้องให้บรรพชาแล้วก็เพราะเป็นสมณเณรอยู่ก่อนแล้วก็กิจอันนี้ก็เว้นไปก็ได้เหมือนกันนะหรือจะให้สมานทาน อ, อสินสิบของสมณเณรเลยทีเดียวโดยไม่ต้องทําพิธีของบรรพชาได้เพราะว่าเป็นสมณเณรอยู่แล้วดังที่ได้กล่าวเป็นกิจเบื้องต้นแห่งการอุปสมบทเรียกว่าภูรพกิจเนี่ทีนี้มัชฌิมกิจ กิจท่ามกลางแห่งการอุปสมบทนั้นอย่างไรอาวชีวะกิจคือกิจอันจะพึงทำในท่ามกลางในการอุปสมบทนั้นท่านบอกว่าครั้นทำบุรภ ก, กิจเสร็จแล้วก็พึงสวดกรรมวาจาอุปสมบทการสวดกรรมวาจาอุปสมบทก็คือตั้งยาติหนึ่งสวดอนุษสาวนาอีกสามหนเรียกกันว่าญาติจตุกรรมแปลว่า กรรมมีวาจาครบสี่ทั้งยติในเวลาสวดกรรมวาจายังไม่จบถ้าหากมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคิดคานขึ้ น, นกรรมนั้นย่อมว่าไม่สำเร็จท่านว่าจะไม่สำเร็จต่อเมื่อภิกษุทั้งหลายหรือสงฆ์ทั้งหลายนั้นนิ่งอยู่ด้วยกั น, นจนสวด ถ, ถึงโสพาไัยครั้งที่สาม การอุปสมบทนั้นเป็นอันสำเร็จเอ่อทนภิกษุผู้สวดกรรมวาจาในบาลีท่านเอ่อวางไว้อยู่รูปเดียวแต่ว่าธรรมเนียมเก่าที่ใช้กันอยู่ใช้สวดคู่อ่เพราะเหตุเอ่ อ, อ, อมีทางปฏิฐานได้หลายอย่างเอ่อดังนี้ก็คือหนึ่งว่าธรรมเนียมสวดอย่างอื่นมีสวดว่าพานาวาเนี่ยเป็นต้นสวดทีละคู่ สองสวนรูปเดียวอาจตกลนส่วนคู่คงตกลนไม่พร้อมกันก็เป็นอันทานกันอยู่ในตัวเองรูปหนึ่งพลาดก็เป็นล่มไปสารเรื่องมาจากอุปสมบทนั้นเมื่อก่อนก็คราวละคู่รูปหนึ่งก็สวดกรรมวาจาสําหรับอุปสมบทาเตฆาอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางสันิษฐานที่เกี่ยวกับการสวดกรรมวาจาให้การอุปสมบท นี้ถ้าจะมอีอปัญหาถามว่าการบรรพชาสมณี น, น, นั้นสําเร็จ เ, เมื่อว่าถึงตรงไหนและการอุปสมบทจะสําเร็จเป็นภิกษุภาวะเมื่อว่าถึงตรงไหนใครเป็นผู้ว่าอันนี้ก็มีปัญหาอยู่การบวชเป็นสมณี น, น, นั้น อ, อว่าถึงตติยมปิสังขังสารนางังคัณฑามิผู้ที่บรรพชาเป็นผู้ว่า ส่วนการอุปสมบทนั้นสวดถึงโสมภาสั ย, ยะครั้งที่สามก็สำเร็จเป็นฟิกสุภาวะในพระพุทธศาสนาอันนี้รำวาจาผู้สวดเป็นผู้ว่าก็พปึงเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยส่วนปัจฉิมกิจคือกิจแห่งการอปปัจฉิมกิจกิจสุดท้ายเกี่ยวกับการอุปสมบทเมื่ออุปสมบท ทำการอุปสมบทเสร็จแล้วก็พึงทำปัจฉิมกิจตามพุทธานุญาตต่อไปออท่านกล่าวไว้ดังนี้หนึ่งวัดเงาแดดทันที เ, เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วก็หนึ่งวัดเงาแดดทันทีแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้เงาแดดแล้วเพราะว่าเงาแดดนั้น เ, เมื่อสมัยกลางพุทธกาลหรือสมัยบุราณก่อนนั้นไม่มีนาฬิกา เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เจริญก็ต้องอาศัยเงาเป็นหลักในการวัดในการที่จะรู้กำหนดเวลานั้นอย่างไรนั้นก็ปัจจุบันนี้ก็มีนาฬิกาเราก็ใช้นาฬิกาในการที่จะกำหนดว่าบวชเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยไม่ต้องเอาวัดเงาแดดใช้แทนกันได้ เ, เพราะว่ า, าในมหาประเทศสี่นั้น อพระพุทธองค์ท่านแสดงเอาไว้ว่าสิ่งใดที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่มันเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะขัดกันตัอสิ่งที่เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้นควรนั้น เ, เรื่องเวลาที่เกี่ยวกับการวัดเงาแดดในครั้งก่อน เ, อเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันเราใช้เวลาก็แทนกันได้อย่างนี้ก็เข้ากันได้ก็ใช้ได้เนี่ยอสองบอกประมาณแห่งกระดู ในปัจจุบันนี้ใช้บอกพุทธศักราชด้วยคือฤดอูที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนับว่าปีหนึ่งนี้ท่านจะแนกแจกฤดูออกมาเป็นสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนปีหนึ่งมีสิบสองสิบสองเดือนแบ่งเป็นสามฤดูก็ฤดูละสี่เดือนอในการ ให้อุสมบเสร็จแล้วก็ท่านบอกเราดูไปด้วยแต่ปัจจุบันก็ใช้คำว่าพุทธศักราชคือเอาพศเป็นเกณฑ์บวชปีพศเท่าไหร่ก็กำหนดเป็พุทธศักราชเลยทีเดียวสามบอกส่วนแห่งวันก็ได้แ ก, บก่บอกยามบอกยามเรื่องบอกยามปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้ยามบอกยามแล้วบอกเวลาทีเดียวสี่อบอกสังขีติคือบอกอประมวลเช่น อ่าสีมาอาว่าที่อุปสมบทอุปชายยะกรรมวาจาจํานวนสองเออขีดข้อนี้ก็อุปชายะท่านจะจดลงบันทึกกระดาษไว้ซึ่งเรียกกันว่าชายยาบัตเนี่ยดังบอกสังคีตินี่ก็บอกสถานที่บวชเจนวัดไหนบวชวัดไหนเอ่ออุปชายยะชื่ออะไรกรรมวาจาชื่ออะไรจํานวนสอ์ที่ ทำสังกกรรมในการให้การอุปสมบทนั้นมีจำนวนเท่าไรซึ่งก็เป็นหน้าที่อขออุปชัยะจะต้องอบันทึกลงในหนังสือฉายาบัตรหรื อ, อหนังสืออื่นที่มีหลักฐานที่ควรจะบันทึกเอาไว้ห้าบอกนิสัยสี่บอกนิสัยสี่ก็บอกอสิ่งที่วันประชิอะจะต้องอาศัย ซึ่งนักธรรมชั้นเอกนี่ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วเพราะได้ศึกษาผ่านนักธรรมชั้นตรเีเกี่ยวกับอนุศาสตร์แปดอย่างมาอย่างดีแล้วแต่ก็บางท่านก็ศึกษามาแต่ก็ลืมไปหมดแล้วว่านิสัยสี่นั้นคืออะไรบ้างแล้วอุปชายะก็จะต้องบอกนิสัยสี่คื อ, เ, อเที่ยวบินทบาดนู่งหงผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ามูดเน่า แล้วก็บอกให้ทราบว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปอไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วน่งของผ้าบางสกุลในกระพ้าที่คารหัสญาตโยมมีสันทาถวายก็ใช้ได้ เ, เที่ยวบินธบาตินั้นเราก็ยังเที่ยวบินธบาตินอกจากการเที่ยวบินธบาติยังรับออ น, นอนิมนต์จากผู้มีสันทาก็ทําได้เหมือนกันเดียวกว่าตเตระกะลาบเกิดขึ้นอก็สามารถที่จะ ไปชั้นหรือไปในกิจนั้นๆได้ไม่ผิดวินัยอะไรอยู่โคนไม้ปัจจุบันก็มีกุฏิมีวิหารอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วการที่จะไปอยู่ตามโคนต้นไม้เหมือนเมื่อครั้งกุทธการนั้นก็ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรยิ่งในภรษาก็ห้ามไม่ให้จําำรรษาในโครงไม้ในโคนต้นไม้หรือในออข้าคบของต้นไม้ นั่นก็ต้องอยู่ในกุฏิอยู่ตามกุฏิอยู่ตามวิหารส่วนที่จะไปลุกขมูลไปทุดงบ้างนอกปัญษานั้นก็ทำได้ฉะนั้นก็การอยู่คนไม้ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นกุฏิวิหารส่วนชั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่ า, าซึ่งเมื่อก่อนนั้นเรื่องเกี่ยวกับยาต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยจะอา่ารู้ไม่ค่อยจะเข้าใจดีเท่าที่ควรฉะนั้นก็ เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดอาการทางด้านไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการที่จะต่อปฏิบัติสมนธรรมไปโดยสะดวกยากก็ใช้ยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแต่ปัจจุบันแล้วก็มียาที่เขาผลิตขึ้นจากบริษัทต่างๆในการที่จะบริโภคเพื่อจ ะ, อะบรรเทาอาภาษต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นยาอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็หกบอกอกรณิยกิจสี่ซึ่งกิจอันที่สุไม่ควรทำนี่ทั้งที่ว่าอากรณิยกิจเสพเมถุนลักของเขาฆ่าสัตว์และก็พูดอวดคุณพิเศษไม่มีในตนอันนี้อุปชายะก็จะต้องบอกหรือไม่ก็จะมอบหมายให้กรรมวาจา เ, เป็นผู้บอกแผนก็ไดเ้เรื่องการบอกนี้ ตามที่สังเกตดูทั่วๆไปในการที่ไปน่หัตถบทเรื่องการอุปสมบทนี้ก็มีอยู่หลายแห่งที่อุปชยะไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะบอกลิสัยเสียกรณีกิจสีให้ผู้ที่บวชใหม่นั้นได้เข้าใจกตส่วนใหญ่ก็บอกเป็นภาษาบาลีเมื่อบอกเป็นภาษาบาลีเสร็จก็เป็นอนุเสธพิธีซึ่งผู้ที่บวชใหม่นั้นไม่รู้เรื่องเลย เมื่อไม่รู้เรื่องก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็อาจจะผิดพลาดโดยเฉพาะอักรณิยกิจ4ี่นั้นถ้าผิดพลาดแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้ขาดจากการเป็นภิกษุได้ดังนั้นอุปัชัยะเราไม่ควรที่จะมักง่ายในการทําทการอุปสมบทควรที่จะบอกให้ชัดเจนให้เข้าใจเรื่องนิสัย4และก็เรื่องอักรณิยกิจ4นี่เป็นปัจฉิมกิจในการอุปสมบทที่จะต้องเข้าใจ และอีกอันนึงนะกวรทราบเงาแดดเงาแดดที่เกี่ยวกับการอุปสมบทนั้นนะท่านบอกว่าเงาแดดนั้นมีอยู่สองอย่างสองภาคเลยกันคือภาคที่หนึ่งก็เรียกว่าหายณะมานัตฉาญาหายณะมานัตฉาญาเวลาที่เงาเสื่อมสองวัฒนะวัฒมานัตถฉาญ า, าเวลามีเงาเจริญคือเงาเงาเสื่อมกับเงาเจริญ เงาเสื่อมกังเงาเงาจะเงาเสื่อมนี้มันอยู่ในช่วงที่ตะวันสูงขึ้นไปแล้วสายขึ้นไปแล้วก็เงามันก็จะลดลดลดลดแต่ถ้าหากว่าอยู่ในตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเงามันจะเจริญเงามันจะไปได้ไกลมากนั้นการวัดเงาก็ต้องรู้อีกเหมือนกันว่าเงานั้นเจริญหรือเงานั้นเสื่อมอย่างไรนี่เป็นเป็นการที่เกี่ยวกับการทำการอุปสมบท ทีนี้ต่อไปเราก็มาศึกษาในการที่ยี่สิบแปดว่าด้วยวิธีระงับวิวาธาธิกร อ, อวิวาธาธิกรนั้นคืออะไรท่านบอกว่าวิวาี่จักเป็นอธิกรรวมเรียกว่าวิวาธาธิกรนั้นเฉพาะวิวาตารบพระธรรมวินยัยแต่ในบาลีท่านแจกไว้เก้าคู่นี่ อ, อและถ้าจะถามว่าอติกรนั้นคืออะไร อธิกรณ์นั้นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องจัดต้องทาให้สำเร็จเนี่แต่การเกิดขึ้นโดยการทะเลาะที่เกี่ยวกับปรรอพระธรรมพระวินัยเป็นเหตุนั้นนั่นแหละชื่อว่าวิวาธาธิกรณ์ท่านแจกไว้เก้าคู่อย่างไรเก้าคู่นั้นท่านแจกไว้เป็นเอ่อคู่คู่อย่างนี้หนึ่งวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมคือไม่เป็นธรรมสองวิวาดกันว่า นี้เป็นวินัยนี้ไม่เป็นวินัยสามวิวาดกันว่านี้พระธรรคตเจ้าตรัสภาสิทธไว้นี้พระธรรมคดมิได้ตรัสภาสิทธไว้อสี่นี้พระธรรคตเจ้าเส่งประพฤติมานี้พระธรรคตเจ้ามิได้ทรงประพฤติมาห้านี้พระธรรคตเจ้าบัญญัติทรงบัญญัติไว้ นี้พระศาาคตเจ้าไมิได้ทรงบัญญัติไว้หกนี้เป็นอาบัตินี้ไม่เป็นอาบัติเจ็ดนี้เป็นอาบัติเบานี้เป็นอาบัติหนักแปดนี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือเก้านี้เป็นอาบัติหยาบคายนี้ไม่เป็นอาบัติหยาบคายทั้งเก้าคู่นี้ท่านในปรกรณ์ทั้งหลายท่านเรียกว่าเรียกกระจายออกไปว่า อัฐาษ ะ, ะเพทะกระวัตถุแปลว่าเรื่องทาความแตกกันสิบแปดอย่างตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนสาธมิกที่กำลังศึกษาได้ไดจดจำและกระท่องให้ขึ้นใจเลยเก้าคู่สิบแปดข้อและเก้าคู่นี่เรียกว่าอะไรเนี่ยเก้าคู่เนี่ยเรียกว่าอัฏา ร, อาระสอาะเพทะกระวัตถุแปลว่าเรื่องทาความแตกกันสิบแปดอย่าง แล้วก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพระธรรมพระวินัยนั่นผู้เถียงก็ประรบทั้งพระธรรมประรบทั้งพระวินัยแม้แต่เรื่อง เ, อเกี่ยวกับอาบัติอะไรต่างๆนี่ก็เอามาเป็นเหตุในการทะเลาะถ้าหากว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องราวดังที่ได้กล่าวมานี้แหละแล้วเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดทะเลาะกันเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นมา นั้นท่านเรียกว่าปรารพพระธรรมวินัยจัดเป็นวิว า, าทิกรนะถ้าเทียงการด้วยเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับพระธรรมวินยัยไม่จัดเป็นวิวาทาิกรวิว า, าทิกรในที่นี้เช่นปรารบเกี่ยวกับนาฬิกาว่าองค์หนึ่งว่าเที่ยงแล้วองค์หนึ่งว่ายังไม่เที่ยงโดยเป็นเรื่องของนาฬิกา อย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นวิว า, าทาธิกอนวิวาทกันเอาเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่พระธรรมพระวินยัยไม่เป็นเหตุให้เกิดการแตกเป็นกกเป็นเหลา่าหรือเป็นรัฐที่อะไรต่างๆขึ้นมาดังนั้นท่านจึงไม่จะเป็นวิว า, าทาธิกอนในทีน่นี้นะอาทีนี้การวิวาทกันนั้นก็มีเหตุที่จ ะ, ะมีเหตุนะเหตุที่จะให้เกิดการวิวาสนะท่านบอกว่าวิวาสภูมิคือรากเหง้าแห่งการเถียงกันมันมีอยู่สองอย่างนะ รากเงาแห่งการเถียงกันมีสองอย่างคือหนึ่งผู้ก่อวิวาทขึ้นด้วยความปรารถนาดีคือเห็นแก่พระธรรมวินยัยและมีจิตสัมพยุทธ์ด้วยอโลภาอโทสะอโมหะสองอผู้ก่อวิวาทขึ้นด้วยความปรารถนาเลวคือก่อขึ้นด้วยทิฏฐิมานะไม้รู้ว่าผิดก็คืนทํำมีลักษณะประกอบด้วยโทษหกคู่คือหนึ่งเป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้ถือโกรธสองเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอสามเป็นผู้มีปกติอิสาเป็นผู้มีปกติตรณีสี่เป็นผู้อวดดีเป็นผู้มีมายาห้าเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดหกเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตนถืออย่างแน่นแฟนปลดได้ยาก รวมเข้าในความเป็นผู้มีจิตสัมปยุต ด, ด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะอุบาทว์วมูลคือรากเหง้าแห่งการเถียงการทั้งสองอย่างนี้ก็จะต้องท่องให้ขึ้นใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นหลักสําคัญที่เอเราจะต้องท่องให้ขึ้นใจได้ก็ทําความเข้าใจนะการวิวาทกันนั้นเมีทั้งปรารถนาดีและก็ปรารถนาไม่ดีอตนะ่ที่ปรารถนาดีที่ว่า เห็นแก่พระธรรมวินยัยคือเห็นคนผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเถียงในเรื่องราวของพระธรรมวินยัยอันจะเป็นเหตุให้อความเข้าใจพร ะ, ระวินัยผิดไปหรือพระธรรมผิดไปเราก็เถียงเพื่อความถูกต้องแต่ก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันได้เหมือนกั น, นการอวิวาทหรือว่าก่อวิวาทขึ้นด้วยความปรารถนาดีที่ว่าประกอบด้วย อะโลภะอโทสะอะโมหะคือไม่ได้มีความโลภว่าจะต้องเป็นอะไรไม่มีความโกรธอะไรและก็ไม่ได้มีความรุ่มหลงอะไรแต่เห็นว่าอ า, อาจจะเป็นเป็นไปในทางเสื่อมเสียก็เพื่อความถูกต้องก็จึงได้อทะเลาะเพื่อจึงได้เอเกิดแย่งกันขึ้นมาเท่านั้นนะ อ, อันนี้คือปรามวาธนาดีก็อัะ น, นี้ก็น่า ด, ดีเหมือนกันส่วนที่ทําไปเพราะ ความปรารถนาเลวมีทิฏฐิมานะเห็นว่าผิดยุแต่ว่าไม่ยอมที่จะอ่ะ อ, อนข้อให้แก้ไขง่ายๆทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าผิดก็เถียงเพื่อจะเอาชนะเขาท่าเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าปรารถนาเลวนะเป็นคนมากโกรธเป็นคนถือโกรธลบลูตีเสมออิศาตนีอวดดีมายาปรารถนาลาโมกมีความเห็นผิด แล้วก็ถือกามความเห็นของตนเห็นอย่างแน่นแฟน้นโทษหกคู่นี้ก็ให้ท่องขึ้นใจนะเรียกว่าอ่มามักโกรธถือโกรธลบหลูลตีเสมออ่าอิสาตรณีอวดดีมายาอ่าลาโมกเห็นผิดเราเห็นของตนเห็นอย่างแน่นแฟนเนี่ยท่องโวนไปท่องกลับไปกลับมากลับมากลับไปจนขึ้นใจเอาเอาย่อๆท่องอแบบย่อๆ ก็จะทำให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะเกี่ยวกับพระวินัยในการก่อการวิวาทขึ้นมาว่าอย่างไรมีความปรารถนาดีหรือปรารถนาไม่ดีอย่างไรเรื่องวิวาทที่เกิดขึ้นหรือวิวาสวิวาธาทกรที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องใหญ่ๆมีมาแล้วเนี่ยทั้งกล่าวไว้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันคือหนึ่งเรื่องพระธรรมกัตถึกกับพระวินัยทรน วิวาทกันเรื่องนี้ก็จัดเข้าในเพธนกวัตถุที่สองและก็ที่หกระงับด้วยการตกลงกันเองอสองเรื่องพิสูชาวัตชีบุตรกล่าววัตถุสิบประการเรื่องนี้ก็จัดเข้าในคู่ที่สองสองระงับตามลำพังด้วยการชี้ขาดสามเรื่องเดินทีบลอมบวชในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้ก็จัดเข้าในเพทกราวัตถุคู่ที่หนึ่งระงับด้วยอานาจอาณาจัก อันนี้คือเรื่องที่ เ, เกิดขึ้นมาแล้วในครั้งพุทธกาลในเรื่องพระธรรมะก็ตื่เกิดทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องไม่น่าจะเป็นไปเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยในรายละเอียดในเรื่องนี้ก็ต้องไปดูในโกสัมพีกาคันทกกะก็เพราะว่าเรื่องที่เกิดเรื่องที่เกิดนั่นเกิดขึ้นในเมืองโกสัมพีพระธรรมะแลกตืกกับพระวินัยทรทะเลาะกันอย่างไรนั้นเราก็ไปศึกษาไปทบทวนในที่นั้นเพื่อความเข้าใจในะเรื่อง อ่ที่สองที่ว่าพวกวัดชีบุตรลอมบวดและไม่ใช่วัดชีบุตรนั้นที่กล่าวว่าถุกสิบประการนั้นอย่างไรก็ดูในละเอียดอ่าแล้วก็เรื่องเลนทีเข้ามาลอมบุดในพุทธศาสนาเพื่อจ ะ, อะทําลายพุทธศาสนานั้นอย่างไรอันนี้เราก็ต้องทบทวนอ่านค้นคว้าในเรื่องอื่นเข้ามาประกอบอีกตามสมควรก็จะทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ajan ั้นก็เพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายที่กําลังศึกษาวิชาพระวินัยอยู่ก็ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจและก็ทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักพระวินัยเนี่ยถ้าหากว่าขาดหลักไม่ได้หลักแล้วก็จะทําให้ความเข้าใจนั้นไม่ดีเท่าที่ควรนั้นเราต้องท่องหลักให้แม่นเลยเมื่อท่องหลักแม่นแล้วก็อย่างอื่นมันก็ฟลอยขยับขยายค่อยๆเข้าใจและก็แจ่มแจ้งขึ้นตามสมควร แลวครับ <ologist. S 2> วันนี้เวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีเด็เพื่อนสาธมิกทุกๆท่านเทินสวัสดีครับเพื่อนสาธมิทุกทุกรูปที่กำลังศึกษาวิชาพระวินัยนักธรรมชั้นเอกอยู่นะครับว่าเรามาศึกษาเกี่ยวกับวัตถุสิบประการต่อเพราะว่า วัตถุสิประการที่กล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลคือเป็นเหตุให้เกิดการทำสังขยนาเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาก็เป็นเหตุให้การทำสังขยนาเกิดขึ้นอีกเอฉะนั้นก็วัตถุสิประการทั้งกล่าวว่าอย่างไรอท่านกล่าวว่ า, า, า, ววา อ, อหนึ่งมีพุทธบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุฉันของเคี้ยวของฉัน อันเป็นอาหารที่รับประเค้นไว้ค้างคืนปรับอวบัติปัญจตีแก่ภิกษุผู้ละเมิดอพวกภิกษุวัดชีวุตอถือว่าเกลือที่รับประเค้นไว้แรมคืนฉันปนกับอาหารได้เรียกสั้นว่าเรื่องเกลือในะขนงนี่เป็นเป็นวัตถุที่หนึ่งคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามให้ภิกษุฉันของเคี้ยวของฉัน อันเป็นอาหารที่รับประเค้นไว้ค้างคืนก็ถ้าหากว่าผู้ได้ฉันก็ท่านปรับอวบติต่าจติตีแก่พิสุผู้ละเมิดเด็แต่พวกพิสุวัชีบุตรนั้นท่านเห็นว่าเกลือที่อรับประเค้นไว้แล้วก็เก็บไว้ค้างคืนเนี่ยพอตอนวันใหม่ก็เอามาฉันปนกับอาหารเนี่ยท่านบอกว่าได้แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้นะคือคือผิดนะเรียกกันว่าเกลือในคเนงเพราะเกลือนั้น อ่ถ้าอาจจะถ้าเป็นอย่างอื่นก็ถ้าเป็นยาได้ไมายถึงว่าเอาไปทําเป็นอื่นอย่างอื่นถ้ามาปนกับอาหารกินเป็นอาหารหรือว่าฉันเป็นกับอาหารเนี่ยอันนี้ผิดเนี่ยอสองมีพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือเลยเที่ยงไปแล้วพวกภิกษุวัชีบุตรถือว่าเงาแดดบายเพียงสองนิว้วยังฉันอาหารได้เรียกสั้นว่าเรื่องสองนิว้ว อันนี้ก็หมายของว่าพระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติไว้เนี่ยให้พิสุขฉันอาหารได้ถึงเช้าชั่วเที่ยงนี่คือตั้งแต่รุนขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงแต่พิสุวัตชีเห็นว่าเงาแดดเนี่ยบ่ายไปเพียงสองนิ้วแล้วเนี่ยยังพอจะฉันได้คือมีความเห็นอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดการเถียงกันเมื่อเกิดการเถียงกันก็เกิดเรื่องราวขึ้นมานี่เป็นเหตุให้ทาสังคยนา แล้วก็ได้มีการตัดสินว่าอาภิกษุวัชีนั้นไม่ถูกนะผิดนะผิดนั้นก็มีบาทจะบางท่านจะถือเอาว่าพอไปถึงตรงนั้นเขาตีกลองแล้วไปเลยไปอีกอ่ามันบายไปแล้วกลับมาชั้นที่ตรงที่เขาพระสันตีกลองเทนอย่างนี้อาจจะมีได้หรือบางคนก็เอาจะเดินทางไกลไม่เป็นไรก็เอามาฉันทั้งๆ้งที่เดินทางไกลนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยดังนั้นก็ อันนี้ข้อนี้ก็ได้รับการวินิจฉัยจากสงฆ์ว่าอไม่ถูกต้องที่เลยไปสองนิ้วนั้นไม่ถูกต้องสามีพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุฉันแล้วห้ามอาหารที่เขาถวายแล้วฉันของเคี้ยวของฉันอันเป็นอันนาติริตะคือในวันนั้นอันนาติริหมายถึงว่าไม่เป็นเดนประอวบปฏิ ต, ตีแก่ภิกษุผู้ละเมิดพวกภิกษุวัดชีบุตรถือว่า อ่านะภิกษุบุตรเนี่ยถือว่าปรารถนาจะเข้าบ้านในในเดี๋ยวนี้นั้นฉันโพชนะเป็นอนาตติได้เรียกสั้นๆว่าเรื่องเข้าเราแหกบ้านข้อ น, นี้ก็หมายความว่าอภิกษุเมื่อกําลังฉันอยู่เนี่ยมีผู้ใดผู้หนึ่งนําอาหารมาประเคนเอ่อมาประเคนแล้วก็ห้ามอาหารนั้นเสียห้ามอาหารนั้นเสียเรียกว่าอนาตตอนาตติริตะนะ น อ, อนตัตติริตาริตะห้ามเสียพรห้ามแล้วเนี่ยจะฉันอาหารในวันนั้นไม่ได้ต่อไปอีกถ้าฉันเป็นป่าจิตตีแต่ภิกษุวัดชีบอกว่ า, วารีบจะไปบ้านเนี่ยนะใครมาเราเคนก็ห้ามเสียแล้วก็จะรีบไปบ้านเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรเอออันนี้เรื่องนี้ก็พวกวัดชีบุตรก็ผิดอีกพูดง่ายๆเรื่องเข้าเราแหกบานเนี่ยอก็อสี่มีธรรมเนียมว่าอาวาสทั้งหลายอันตั้งอยู่ในสีมาเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอาวาสเหล่านั้นต้องประชุมกันธทำโอโบสดในที่เดียวกันพวกวิสษุวัดชีบุตรถือว่าต่างอาวาสแยกธทำโอโบสถต่อกันได้เรียกสั้นๆว่าเรื่องอาวาส เ, เรื่องนี้ก็อท่านทั้งหลายได้ศึกษาในเรื่องสีมามาดีแล้วเพราะว่าสีมานั้นมีประเภทแบ่งออกไปถ้าเป็นพัฏตสีมาก็แบ่งออกมาเป็นขันตสีมา เอมหาสีมาสีมาสองชั้นแล้วก็นาทีปรสีมาอที่กล่าวในในข้อสี่แห่งวัตถุสิบประการนี้ท่านบอกว่าอยู่ในสีมาเดียวกันก็อยู่ในประเภทสีมาใหญ่เรียกว่ามหาสีมาเนี่ยจะมีวัดกี่วัดก็ตามซึ่งอยู่ในสีมานั้นเวลาทําสังฆกรรมทุกอย่างจะต้องลงประชุมกันในโรงโบสดอันเดียวกันแม้จะอยู่ต่างอาวาสก็ตามเพราะสีมาเดียวกันะถ้าไม่มาต้องให้ฉันทะ คือนำฉันทะของปิกสุที่ไม่ได้มามาด้วยอย่างนี้แต่ว่าพวกปิกสุวัดชีนั้นบอกว่ามันอยู่ต่างวัดเนี่ยต่างอาวาตจะเป็นไรไปดงั้นอันนี้ก็ได้รับการนิชัยว่าพวกวัดชีนั้นผิดเพราะอยู่ในสีมาเดียวกันจะต้องไปชุมทําสังฆกรรมในที่เดียวกันหมดแหนะเวันแต่มีขันธสีมาอยู่เรื่องมหาสีมาอาสีมาสองชั้นคือมีขันธสีมาและมหาสีมาถ้าอย่างนี้แล้วกอ็อยู่ในสีมาเดียวกันแต่ว่า อมีขันธสีมาอยู่กลางซึ่งมีสีมันตริกรอบด้านอยู่แล้วก็ไม่ประชุมพร้อมในที่เดียวกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีขันธสีมาไม่มีสีมันตริกอยู่รอบคันธสีมาแล้วก็ภิกษุที่อยู่ในมหาสีมานั้นจะเป็นวัดไหนก็ตามกี่วัดก็ตาม ต, ามต้องประชุมในที่เดียวกันทั้งสิ้นจึ็จะถูกต้องตามพระวินยัยเรื่องที่ห้า เป็นธรรมเนียมของพิสุทั้งหลายจะทำสังฆ ก, กรรมต้องประชุมพิสุที่อยู่ในสีมาเดียวกันทั้งนั้นหรือนำซึ่งฉันทะของพิสุผู้ไม่มาผู้ออกพิสุก็ถือว่าในเวลาที่พิสุยังไม่มาพร้อม่ะทำสังฆ ก, กรรมเป็นางก่อนก็ได้มีพิสุมาที่หลังจึงบอกอนุญาตเรียกสั้นว่าเรื่องอนุมัติอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่สี่ คือเป็นธรรมเนียมของภิกษุว่าเมื่ออยู่ในสีหมาเดียวกันจะต้องประชุมการทำสังฆ ก, กรรมเมื่อไม่สามารถมาได้โดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ให้ฉันทา ม, มาอภิกษุวัชชีนั้นถือว่าอ่ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรเราทำไปก่อนคือทำไปพลางก่อนเมื่อมาเราก็ขออนุมัติทีหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องให้เกิดการเอเถียงกันขึ้นมาได้รับการวินิจัยว่าภิกษุวัชชีนั้นผิดเนี่ยจิตก็หก ภิกษุวัดชีถือว่าธรมเนียมอย่างใดอื่นอันอุปชายะอันอาจารย์เคยประพฤติมารมเนียมอย่างนี้เป็นการประพฤติตามทางนั้นเรียกสั้นว่าเรื่องเคยประพฤติมาก็หมายความว่าประพฤติตามตามกันมาอาจารย์อุปชายยะเคยประพฤติอย่างไรวัชีก็บอกว่าถือว่าถูกต้องแล้วก็เลยถือเอาเรื่องนั้นด้ไฟล์หนึ่งซึ่งเห็นว่า การประพฤติตามอุปัชฌายะหรืออาจารย์นั้นมีทางที่ถูกก็มีที่ทางที่ผิดก็มีอซึ่งก็เกิดเป็นเหตุให้เสียงกันขึ้นมานด้านการปฏิบัติตามกันมาบางทีก็ไม่ถูกก็มีอคือปฏิบัติตามตามกันมาว่าอะไรเป็นอะไรถามก็ไม่รู้เรื่องก็เป็นไปได้เป็นเหตุให้เสียหายไปก็มีเหมือนกันนั้นเอก็ต้องอให้เข้าใจอันนี้ก็ได้รับการวิฉัยว่าอที่ปฏิบัติตามกันมานั้น มีทั้งข้อดีมีทั้งขอ้งขอเสียแต่ควรที่จะยึดหลักในพระธรรมรวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ยอย่างไรนั่นคือหลักที่ถูกต้องข้อเจ็ดภิกษุวัดชีบุตรถือว่าน้ำนมสดแปลจากความเป็นน้ำนมแล้วแต่ยังไม่เป็นทะที่คือนมส้มภิกษุฉันแล้วห้ามอาหารแล้วดื่มน้ำนมอย่างนั้นอันเป็นอ น, นติริตะได้อยู่เรียกสั้นๆว่าเรื่องไม่ได้กวน อันนี้ก็หมายความว่าอพระภิกษุวัดชีนั้นเห็นว่านมที่มันแปลสภาพจากน้ำนมแล้วมันไปเป็นอยังไม่เป็นตาที่คือยังไม่เป็นนมส้มออย่างนี้ห้ามอาหารหมายถึงห้ามอาหารเกี่ยวกับอฉันอยู่มีใครเอาอาหารน้อมเข้ามาในหัตถบาดแล้วเอเขาน้อมเข้ามาแล้วแต่ว่าภิกษุห้ามเสียอย่างนี้จะฉันในวันนั้นไม่ได้แต่วัดชีก็บอกว่าได้ออันนี้ก็วัดชีก็ผิดเหมือนกัน พิสุวัตชีข้อแปดพวกพิสุวัตชีบูดถือว่าสุราอย่างอ่อนที่เป็นรถเมาเจืออยู่น้อยไม่ยังผู้ดื่มให้เมาดื่มได้อยู่เรียกสันส้นๆว่าเรื่องสุราอย่างอ่อนอข้อนี้ก็ตามหลักแล้วเครื่องสุรานั้นทรงบัญญัติห้ามไว้ในสุราปณวัคสุราเมรยะไปตีอย่างพิสุดื่มน้ำเมาต้องป่าจิตตี ดื่มน้ำเมาต้องปาจิตติแต่ว่าพิสูุวัาชีบุตรนั้นเห็นว่าผ้าน้ำเมานั้นมีรสอ่อนคือรสไม่เมามากนักเจืออยู่ในนั้นก็บอกว่าดื่มได้ก็คงจะเป็นเพราะคงชอบในเรื่องอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็เข้าใจว่าได้อยู่ตามหลักนั้นไม่ได้เนี่ยตามหลักไม่ได้จะรสเมารสอ่ อ, อ, น อ, อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย าการดื่มสุรานั้นไม่เจตนาจะดื่มแต่ว่าเกิดใครเอามากรอกใส่ปากในขณะที่หลับอยู่ก็าตามเนี่ยฟองกลืนน้ํานั้นเข้าไปเนี่ยท่านไม่มีการยกเว้นเลยนั้นสิขาบทเกี่ยวกับสุราเป็นอาจิตกะคือต้องอาบัติไม่มีเจตนาท่านก็ปรับเป็นนาบัตนะนั้นก็ชาววชีวุตรนั้นก็มีความผิดนะที่พูดเช่นนั้นก็คือพูดผิดจากปะธรรมวินยัย อ่าเราะตเมาที่จะใช้ได้ในการที่จะทําให้เป็นไปอย่างอื่นเช่นเอาน้ําเมาเนี่ยมาปนลงในเอคือมาใส่ในเนื้อเพื่อให้อ่าเป็นการดับกลิ่นคาวต่างๆนี่ท่านบอกว่าได้อันนั้นก็ไม่ใช่หมายถึงว่าน้ําเมาคือเอามาทําลายอย่างอื่นอ่าเช่นมันคาวเกินไปพวกเนื้อพวกอะไร ก็เอาน้ำเมานั้นมาเพื่อทำลายเพื่อตัดกลิ่นเพื่อตัดข่าวนั้นออกไปท่านบอกว่าได้อยู่เขาไม่เป็นเหตุให้เมาและก็เ อ, อสุราหรือเมรัยบางอย่างซึ่งเป็นเท่าเรียกกันในปัจจุบันว่ามากนะม้าอ อ, อ, อ, อันนั้นก็เมาเหมือนกันนะเข้ามากเนี่ยเ อ, อเมาเหมือนกันเป็นเป็นเมรยัยอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ทั้งสามคืนสี่คืนมันจะมีรสเมาเพอ รับเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเมาเหมือนกันอันนั้นก็ผิดเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อควาเมเมาเป็นเมรัยเนี่ยนั่นก็อเรื่องนี้เรื่องเรียกเสนอเรื่องสุราอย่างอ่อนอันนี้ก็ได้รับการวิจัยจากสงฆ์ว่าไม่ควรเนี่ยไม่ควรข้อเจ็ดมีพุทธานุญาตผ้านิสีธนะไว้เป็นผ้าอธิษฐานใช้ได้ผืนหนึ่งอตัวนิสีธนะนั้นยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งโดยคืบพระสุโคต อภิกษุวัชีบุตถือว่าผ้าในสีธนะไม่มีชายก็ใช้ได้เรียกสั้นๆว่าเรื่องผ้าในสีธนะอันนี้ก็ชาววัชีบุตภิกษุวัวชีบูตนั้นก็เห็นว่าผ้าในสีธนะไม่จำเป็นต้องมีชายก็ได้อะไรต่ออะไรก็ได้รับการวิจัยจากสงฆ์ว่าภิกษุชาวชวัชีบุตรนั้นไม่ถูกต้องอ น, นี่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วและสิบพวกภิกษุชาวชวัชีบุตรถือว่า อทองเงินเป็นของควรอคือเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนี่ท่านบอกเป็นของควรแต่ที่จริงแล้วก็มีพุทธบัญญัติห้ามไว้ในหลายสิ่ขาบทซึ่งเป็นวัตถุอนามาตพิสุไม่ควรจะต้องนะแต่ให้ผู้อื่นเก็บเอาไว้ยินดีในเอเงินหรือทองที่ผู้อื่นเขาเก็บไว้นั้นก็เป็นนิสกิยะปัจิติเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เรื่องนี้ก็เรียกสั้นๆว่าเรื่องเงินเรื่องทอง นั้นวัตถุสิบประการนี้ก็เป็นวัตถุที่ให้เกิดการทำสังคยาร้อยกรองพระธรรมวินัยแก้ไขการที่ภิกษุวัชีบุตรนั้นได้มีการประพฤติและก็สอนกันอยู่เพื่อความถูกต้องอย่างไรในเรื่องการทะเลาะวิวาทการคืดขึ้นในสมัยนั้นนิทางป้องกันไม่ให้เกิด วิว า, าทาธิกรขึ้นนั้นอย่างไรบ้างอาทางป้องกันไม่ให้วิว า, าทาิกรเกิดขึ้นนั้นท่านแสดงไว้สามอย่างคือหนึ่งในส่วนธรรมในส่วนธรรมพระบรมศาสดาได้ทรงแส ด, ดงโอว า, าทาปฏิโมกอันระบุ ถ, ถึงหัวใจของพระพุทธศสาสนาในที่ประชุมสงฆ์หนึ่งเนืองอในครั้งแรกที่ทรงประชุมก็คือที่วัดเวลุวัน สวนไม้ไผ่ซึ่งเป็นอารามของพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแด่พระพุทธเจ้า<ม>ซึ่งประชมุมอภิสุ 1,250 ันสองรหาสิบรูป เ, <ม>เกี่ยวกับวันมาฆบูชาที่เราได้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้น<ม>แล้วก็พระพุทธองค์ท่านทรงย้ำหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการให้เว้นจากการทำชั่วด้วยกายวาจาใจ ให้กระทำคุณงามความดีคือบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและก็ให้ทำหํำจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความลงทันย้ําอยู่เสมอเพื่อจะให้เกิดความสมัครสมานเกิดความสมามัคคีในส่วนธรรมนี้พระพุทธองค์ท่านก็ให้โอวาดแก่ภิกษุอยู่เป็นนิจเสมอมาส่วนในทางพระวิ น, นัยนั้นก็ได้ทรงตั้งธรรมเนียมทําสารเข้าโบสถ ด, ด้วยการสวดปฏิโมกขุกทุกเกือ ก, กเดือน ในด้านพระวินัยเพื่อให้เกิดความสามัคคีนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้ปฏิบัติตามพระวินัยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้ลงโบสถทุกเกึ่งเดือนแต่ว่าในข้อนี้ในปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าจะละเลยไปเป็นส่วนใหญ่ในชนบทพอออกพรรษาก็มักจะเลิกมักจะงดไม่มีการสวดพระปฏิโมกข์ไม่มีการลงโบสถ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องตามพระวินยัยตามพระวินัยแล้วจะต้องออลงโบสดทำโบสดทุกกึ่งเดือนก็หมายความเดือนหนึ่งทำสองครั้งไม่ว่าจะเป็นในพรรษาหรือว่านอกพรรษาก็ต้องทําตลอดไปถ้าไม่ทํางดเสียในนอกพรรษาเนี่ยพิกษุที่อยู่ในวัดทั้งสิ้นนั้นเป็นสภาข้าบาทคือเป็นอาบัดเหมือนกัน นะอาบัตที่มีชื่อเหมือนกันและวัตถุที่เป็นเหตุที่ต้องอาบัตเหมือนกันเรียกว่าสภาคาบัตและก็สภาคาบัตนั้นแสดงต่อกันก็ไม่ได้เมื่อแสดงต่อกันไม่ได้ในขณะในเมื่อเราจะทําโบสดทุกคนเป็นสภาคาบัตก็ทําโบสดไม่ได้ก็จะต้องอใช้วิธีต้องไปแสดงจากวัดใดวัดหนึ่งที่ได้ลงโบสดเป็นประจํามาแล้วก็แสดงต่อกันหรือไม่อย่างนั้นก็สวดประกาศให้ทรงทราบด้วยยติคำว่า พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นสภากรบัตรนะขอประกาศให้ทราบแล้วโอกาสมีภายหลังเราจึงแสดงจึงจะตั้งโบสถดได้นั้นในทางพระวินยัยเพื่อให้เกิดความสามัคคีนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติเรื่อง เ, อเกี่ยวกับอุโบสถเอาไว้เนีเกี่ยวกับโวโสถดหรือปฏิโมกข์สวดปฏิโมกข์ทุกเกือกเดือนเอาไว้ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นดูจะมีพิสุธรหัน ร, รูปหนึ่งถ้าจําไม่ผิดก็คือพระบินโด ทวาราชพร ะ, ะาาวินโดเนี่ยนะท่านเคยไม่ไปลงโบสดแล้วพระพุทธองค์ท่านทรงทราบคือท่านเข้าใจว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแล้วเป็นพระอราหันต์แล้วไม่ต้องลงโบสดก็ได้พระพุทธองค์ยังทรงตำหนิเลยว่าพระพวกเธอไม่ทำโบสดแล้วใครจะทำโบสดนั้นจะเห็นว่าโบสดนั้นเป็นเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ให้เกิดความสัมคีเกิดความ สมัครสมานและยัง อ, อสังฆาปริมลทนนี้ให้เจริญหรือให้พุทธบริษัทเนี่ย้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้พระพุทธศาสนานั้นวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปนั่นในส่วนวินยัยเราก็จะต้องยึดปฏิโมกยึดเรื่องการทําวังสังฆบวชสดนี้เอาไว้ไม่ว่าจะในพรรษาหรือนอกพรรษาเราก็ต้องทําสม่ำเสมออย่าได้ละเลยถ้าต่อไปละเลยไม่ทํากันแล้ว ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนซี่เข้ามาบวชเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุแล้วโดยเฉพาะที่บวชนอกพรรษาเนี่ยไม่รู้ไม่เคยไม่เห็นและไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสในการทำโบวสดแล้วก็จะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าปฏิโมกนั้นจะมีเฉพาะในพรรษานอกพรรษาแล้วก็จะไม่มีอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นได้ฉะนั้นที่จริงแล้วก็เรื่องปฏิโมกเรื่องสวด ปฏิโมกและเรื่องการลงบสดนั้นไม่ว่าจะในพรรสนอกพรรษาต้องทำอยู่ตลอดเวลาทุกเกื่งเดือนไม่ต้องลอย่าได้ละเลยเป็นอันาดเป็นการผิดพุทธบัญญัติทัละเลยส่วนข้อสามทางที่พระสงฆ์ได้กระทำกันมานั้นก็มีที่เป็นสำคัญก็คือได้สังคยนาร้อยกรองพระธรรมวินัยตั้งไว้เป็นแบบแผน เป็นคราวคราวมาตลอดถึงได้จยาลึกลงในปรกรณ์หรือลงในใบลานอ่านี่ก็ทางพระสงฆ์ได้ปฏิบัติกันมาก็เริ่มต้นตั้งแต่การทําปฐมสังขารนาซึ่งมีพระมหากรัสปะเป็นประธานในการทําสังขารนาอ่าครั้งแรกหรือปฐมสังขารนากเ็เพื่อจะได้รวบรวมหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และก็ได้ทําสืบสืบกันมา ภายหลังมันอีกจนได้จะรึกลงในปรกรณ์เพราะว่าต้องจะรึกลงถ้าไม่จะรึกลงแล้วพิกษุซึ่งอตอนหลังนี้โดยมากเป็นพิสุปุถุชนยังมีกิเลสหนานแน่นไปด้วยกิเลสเมื่อกิเลสครอบงาจิตใจก็จะทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสแล้วก็จะผิดธรรมผิดวินยัยเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั้นก็ท่านจะรึกลงในพระธรรมวินยัยจะรึกลงไว้ในปรกรณ์หรือในคำพี จนได้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ได้ศึกษาเราเรียนกันแม้จะมีปรปกรณ์มีอะไรมีตำราตำราพอสมควรแล้วเราก็อย่างละเลยในการประพุทธปฏิบัติยก็มีนี่คือทางป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดวิวาทาทิกรขึ้นมาในส่วนพระศ า, าสดาก็ทรงให้อวาตแก่ภิกษุในที่ประชุมสงฆ์หนึ่งในทางพระวินัยทรงบัญญัติาการทาสังฆกรรมสวดปฏิโมกทุกึ่งเดือน ในทางที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติกันมาก็คือการทําสังขยนาร้อยกรองพระธรรมวินัยตลอดต้องได้ช่วยการเผยแพร่หลักธรรมคาสอนตลอดมาทีนี้วิธีระงับวิวาทตากรนั้นจะระงับอย่างไรท่านบอกวิธีระงับวิวาาตากรมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสามุขาวินัยระงับต่อหน้ามีวิธีระงับต่อหน้า 2. เยฟุยสิกาวิธีระงับไปตามความเห็นข้างมากสามุขาวินัยนั้นท่านจำแนกแจกออกมาเป็นสามคือหนึ่งระงับด้วยการตกลงกันเองสองระงับด้วยการตั้งคู่วินิจฉัยสามระงับด้วยใช้อำนาจสง่งเอาวิธีระงับด้วยการตกลงกันเองนั้นเมื่อสงเคราะห์แล้วก็ได้องศีคือหนึ่งสังฆะสมุขตา ความเป็นต่อหน้าสงฆ์สองธรรมสมุคตาความเป็นต่อหน้าธรรมสามวินัยะสมุขตาความเป็นต่อหน้าวินัยสี่บุคคลาสมุขตาความเป็นต่อหน้าบุคคลเอาวิธีระงับด้วยการตั้งผู้วินิจฉัยนั้นก็สงเคราะห์ด้วยองค์สี่บ้างองค์สามบ้างเอาวิธีระงับด้วยการอํานาจสงฆ์ นั้นอย่างไรท่านบอกว่าวิเดียนครด้วยอํานาจส่งนั้นก็คือหนึ่งสองเป็นพวกเห็นภิกษุบางพวกประพฤติ ผ, ผิดแผกออกไปไม่ชอบด้วยพระธรรมไม่ชอบด้วยพระวินยัยก็ร่วมใจการเข้าประชุมเป็นสงวนวินิจฉัยข้อที่แผกนั้นว่าผิดอย่างไรด้วยอํานาจสรงด้วยอนาสรงสองก็มีภิกษุภิกษุเป็นคู่วิวาทแม้เธอจะไม่มอบให้วินิจฉัย เห็นแก่พระธรรมวินในชี้ขาดข้อที่ผิดด้วยอนาสงก็ได้เอาวิธีส ม, มุขาวินัยวิธีนี้ก็สงเคราะห์ด้วยองค์สามบ้างองค์สี่บ้างเนี่ยถ้าสงเห็นว่าจะวินิจฉัยในในสงไม่สะดวกเพราะว่าเหตุหลายๆอย่างเช่นที่กล่าวในบาลีว่ามีเสียงเสงยงแซ่พูดกันไม่ค่อยจะได้ยินสงอาจจะเลือกพิสูจน์บางรูป ในหมูให้แยกวิธิฉายก็ได้วิธีนี้เรียกว่าอุพาฮิกาแปลว่ากิริยาที่ถอนนำไปนะอุพาฮิกาแปลว่ากิริยาที่ถอนนำไปได้แก่การเลือกแยกออกไปในบาลีคันตากะอันในในบาลีสมถทาคันตากะนั้นท่านแนะให้เลือกภิกษุผู้ประกอบด้วยองคนะ์สิบนะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สิบคือหนึ่งเป็นผู้มีศีลสองเป็นพระหุสูต สามเป็นผู้ทรงพระปฏิโมกตสี่เป็นผู้มั่นในพระวิ น, นัยไม่คลนแคลนห้าเป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ความที่วิวาสเข้าใจในเรื่อมใสหกเป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรอันเกิดขึ้นให้ระงับเจดรู้เรื่องอธิกรณแปดรู้เหตุ <c oughs> เกิดอธิกรณเก้ารู้การตัดอธิกรณ์สิบรู้ทางตัดอธิกรณนั้นพิสูจน์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบประการนี้แหละ สมควรที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้วินิจฉัยพิจารณาคดีเกี่ยวกับอธิกรณ์คือวิวานธาธิกรณ์นี้นั้นเมื่อวิวานธาธิกรณ์เกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีระงับประการแรกก็คือสามุขาวินยัยได้แก่ทาต่อหน้าทานะต่อหน้าหนะ้านะธรรมหนะ้าวินยัยหนะ้านะบุคคล น, นั้นนะอย่างถูกต้อง เมื่อทำอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการระงับลงได้การทะเลาะนั้นก็ ร, ระงับลงไ ด, ดววงง้ด้วยวิธีการที่ตกลงกันเองโดยวิธีการที่สงใช้อํานาจในการวินิจฉัยได้หรือว่าอํานาจการตั้งผู้ใดผู้หนึ่งวินิจฉัยก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าอาธิกรณ์นั้นเป็นอธิกรณ์เป็นเรื่องใหญ่น้อยแค่ไหนอย่างไร เราก็ต้องวินิจฉัยดูตามสมควรอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นไปตามอํานาจที่พระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติไว้อนุญาตเอาไว้อย่างไรอสุรเยผุยศิกาการวินิจฉัยวาทาติกรด้วยวิธีนี้ก็สง์ก็พึงสมมติภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นผู้จับสลากเยผุยศิกาที่ว่าเป็นไปนตามอํานาจข้างมาก ก็ด้วยวิธีการลงคะแนนนะลงคะแนนด้วยจับสลากที่ว่าพิสูจนประกอบด้วยองค์ห้าเป็นผู้จับสลากนั่นก็คือหนึ่งเป็นผู้ไม่ลำเอียงด้วยชั้นทาคตินะไม่ถึงด้วยชั้นทาคติสองไม่ถึงโทสาคติสามไม่ถึงด้วยโมหคติสี่ไม่ถึงพยาคติและห้ารู้จักสลากที่เป็นอันจับและไม่เป็นอันจับอย่างไร นั้นผู้ที่จะจับสลากต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมไม่มีความลําเอียงจริงๆ ร, รู้จักสลากที่ควรจับและไม่ควรจับอย่างไรด้วยเอาวิธีจับสลากนั้นเอท่านแสดงไว้สามวิธีด้วยกันคือหนึ่งปกปิดสองกระซิบบอกสามเปิดเผยเอปกปิดนะกระซิบบอกแล้วก็เปิดเผยนี่มีหลักแห่งการอา จับสลากเย้พุทธิสิกานั้นอไม่ควรใช้ในเรื่องอาบางเรื่องเหล่านี้คือหนึ่งไม่ควรใช้ในเรื่องเล็กน้อยที่ไปไม่ถึงไหนนะสองไม่ควรใช้เพื่อสนับสนุนมติอันไม่เป็นธรรมสามไม่ควรใช้เพื่อแยกสงออกจากพวกเนี่ยสามอย่างนี้ไม่ควรนํามาใช้ ในการทำเช่นนี้คือจะเอามมติข้างมากที่จะเป็นไปในทางเสียหายเนี่ยท่านห้ามเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องในทางที่ควรแล้วก็เอ่อท่านไม่ห้ามเนเพื่อความสามัคคีดังที่ได้กล่าวแล้วแล้วฉันในการวิวา ท, าทิกรคืออ่าวิธีระงับอ่าการทะเลาะวิวาทกันนั้นก็ เราได้ศึกษามาพอสมควรว่าอย่างไรฉะนั้นเราเพื่อความแน่ใจหรือเพื่อความแม่นยำยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะต้องพยายามอ่านพยายามทบทวนในสิ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วนั้นอย่างไรจึงจะให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบางอย่างซึ่งอาจจะยากอยู่แต่วา่าต้องพยายามให้มากขึ้นคือใช้ความเพียร ดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าวิริยณะทุกขมัตเจติคนจะล่วงจากความทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยความเพียร น, นั้นเราจะฉลาดในเรื่องพระวินัยเข้าใจในเรื่องพระวินัยแจ่มแจ้งได้ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามทําไปในที่สุดก็จะบรรลุผลตามความประสงค์มุ่งหมายของเราตามสมควรเอาละครับวันนี้การศึกษา เกี่ยวกับด้านพระวินัยเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดจุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกรทุกทุกท่านเทอญ